ในช่วงของการคุยธรรมะที่เราจะมาพบของพระเจ้าในวันนี้หลังจากที่เราได้ฟังเอ่อพุทธพจน์ไปกันแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้เป็นว่าหนังสือที่ เรานํามาอ่านให้ท่านฝั่งฟัง นั่นแล้วก็เมื่อหลายปีมาแล้วก็มี แล้วก็ยกมาบางส่วนในที่อยู่ในพระสูตรนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธปรวัค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ่อสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือตัวเนื้อหานะของของพระสูตรเนื้อ เออเราก็จําได้นะเออเราไม่ควรพูดโกหกในเรื่องรอบไม่พูดคําเอ่อประเจอะนะไม่พูดประเจอะ สัมมาวาจามีไม่ด่ากันไม่ว่ากันดีมีมีอยู่จะต้องทํายังไงกับมันน่ะคือรู้เฉยๆหรือว่าทําตรงข้ามหรือว่าทําอย่างนั้นแล้วก็ต้องๆนะๆทํา 3 ก็คือว่าทํา 3 นะ เอามาเข้าในใจของเรานั่นก็คือการปฏิบัตินั่นเองนะก็เรียกว่า 3 นะปริวัตร 3 อย่าง 4 เนี่ยคุณต้องรู้โดยมี 12 ใช่ 4 อย่างเรา 8 เรา 8 อย่าง 8 นั้นคือ 4 อย่าง 2 อย่างคือไม่พูด เอา 2 อย่างใน 4 อย่างของสมมาจารย์อย 8 อย่างของอริยมรรคมีองค์ 8 เอาแค่อย่างเดียวในอิรัษ 4 นะของอิรัษ 4 เนี่ยที่เราต้องมาทํา เอ่ออะไรมักมี 8 มรรค 8 เนี่ยต้องทํามากๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ําๆทําอยู่ในน่ะทําช้าทําเนินทํากลางแล้วเราจะรู้ได้ว่าสิ่งนี้ควรทํา เอ่อรอบ 3 จริงๆนะมีคณาจารย์หลายๆท่านก็ก็ได้เคยไว้นะว่าเหมือนกับว่าคนที่เอ่อรู้ว่าพอตัวเอง เป็นเพราะความเครียดก็ปวดเพราะระบบไฟเกิดก็ปวดหัวเหมือนกันนะ 1 จากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าต้องกินยาประเภทไหนถ้าท่านรู้ 2 คุณต้องรู้ 3 ก็คือต้องกิน เริ่มจัดทุเลาดีขึ้นได้เช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่เราพบเจอในในชีวิตประจําวันทั้ง นะอันนี้แสดงว่าคุณคิดผิดนะคุณคิดเอออันนี้ควรทําอัน <dessus> ถ้าคุณมีโอกาสให้คุณก็ให้ด้วย 3 ละใน 3 เนี่ยมันก็ทําให้มันซ้ําๆย้ําๆแล้วมันยังมีรายเรื่องว่าเออเราไม่ควรพูด แต่ละคนงัดมุกออกมาใช้กันบึ้มบำบึ้มปำหัวเราะกันๆอันนี้แตอยแตแต 3 อย่างทําให้เกิดนั่นก็คือว่ายัง ทำไมทำไมท่านมันลืมทำไมมันลืมมันเผลอสติทำไมเผลอสติมันที่ระลึกถึงมันไม่เราอะไรที่ตั้งอิงที่ระลึกถึงได้ณคําตอบก็คือใช้ลมหายใจ 4 อย่างคือกายคุณเจ้ากาย แต่ว่า 4 อย่างนี้มันจะมารวมลงที่อันเดียวก็คือโลหะใจโลหะใจ เมื่อขึ้นตามบัจักทางเหนือตะวันออก 4 เนี่ยเจริญได้นะกายเวทนาจิตธรรมมันจะอยู่ ตาของช่างไม้เนี่ยเค้าจะมาดูอยู่ที่จุดสัมผัสจะไปดูที่อื่นก็ได้ที่ขาของช่างไม้เค้าวางยังไงให้สามารถส่งกําลังได้ เราจะไปตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเราดูแยกกันไปมันก็เห็นคนละจุดมัน เราจะเห็นทั้งข่มเลื้อยหมายถึงตัวเหล็กเท่าไหร่เลื้อยไปกี่เซนติเมตรจะ 4 อย่างเนี้ย คือว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันทั้ง เราก็พูดอะไรธรรมดาธรรมดาไปนะจะตลกก็ได้คือสิ่งที่เป็นเป็นเพิเอ่อเป็นบทมุกตลกเนี่ยทางฝั่งตลอดนะบางทีพูดธรรมดานะเดี๋ยวฉัน นะแล้วก็พูดวาจาประเภทนี้เนี่ยอยู่เป็นประจำเราทําได้ นะมีสมาธิแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่มันแวดล้อมจิตที่เป็นๆนะเป็นเรื่องใหญ่ๆเวลาแล้วจะไปไหนเราก็ฟัง นะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราดูแลได้นะเพราะมันมันไม่ได้มากอะไร นะ, ได้ครั้งนึงใช่มั้ยขออีก 1 ต่อ 1 ครั้ง 2 ทําไปให้มันยาวสักชั่วโมงนึง 10 นาทีก็ได้แต่แต่ว่า 1 ชั่วโมงบางทีตอนเช้าอาจจะครึ่งชั่วโมงตอนค่ํา ก็ขอลาท่าน